ทบทวนข้อความในปฏิสัมพิธามัชกนด้วตอนบ่ายนี้เรามาต่อปฏิสัมพิธามัชที่เคยเรียนต่อต่ อ, ตอกันมาแล้วเกือบปี อ, อ้าวสองเดือนเรียนครั้งหนึ่งก็คิดว่าเกือบปีนะ <c oughs> ปฏิสัมพิธามัชนั้นมีหัวข้อเรื่องใหญ่ๆ่อยู่ทั้งหมดสามสิบเรื่องวักละสิบเรื่อง เรื่องที่หนึ่งนั้นว่าด้วยเรื่องยาณกถาเรื่องยานี้ก็แบ่งยาณะออกเป็นเจ็ดสิบสามยานะยาณะหกข้อสุดท้ายเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนหกสิบเจ็ดที่เหลือนี้เป็นสาธารณกับภาษาวกทั่วไปมีได้ตามสมควรแก่ความสามารถในยานะเจ็ดสิบสามนั้นยาณะที่หนึ่งชื่อว่า สุตตามิ ย, ยายนที่สองสี่ละมิ ย, ยายนอย่างที่สามก็สมาธิภาวนามยยายเป็นต้นยานะแรกที่ชื่อว่าสุตตามิ ย, ยานนี้แบ่งบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆอยู่ทั้งหมดสิบหกหัวข้อนะนะสิบหกหัวข้อในแต่ละหัวข้อก็ขยายออกไปเปียเป็นพันบทนะนะมันก็ค่อยๆศึกษาไปนะนะแต่ว่าอายุมันไม่คอยด้วยทียเนาะ ให่ตรงนี้ที่มันลำบากใจนน่นะศึกษาพระธรรมนี่รีบแต่เวลานี่มันนาฬิกาก็เดินเอาเดินเอาน่อนะเดี๋ยวก็เช้าสายบ่ายค่ำเช้าสายบ่ายค่ำไม่รอเลยอนนะอันวันนี้ก็เจอคนหนุ่มคนสาวที่สุดพรุ่งนี้ก็แก่วันนี้อีกอนเพรามันอย่างนี้แหละเกือบคลานไปเรื่อยไปสู่ชราและมรณะกันอันย้อนกลับมาเรื่องญาณะเนี่ยนะในสิบหกหัวข้อ ของสูตรตามมายาญาณหัวข้อที่หนึ่งชื่อว่าอภิญญญาณิเทศอภิญญญธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญาเหนะ็นไหส่วนธรรมะที่เหลือจากนั้นก็รู้ยิ่งตามสมควรแก่ความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมของบทนั้นๆั้นคำว่าที่รู้ด้วยยาตะปริญญานั้น เน้นหัวข้อทำหนึ่งถึงทำสิบแล้วก็ธรรมะสามสิบที่ไหลมาแต่ละทวารเช่นจกักขูควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจกักขูวิญญาณควรรู้ยิ่งภาษะเวทนาควรรู้ยิ่งพวกนี้เน้นไปที่ยาตะปริญญาทำ ห, นะหนึ่งสเปสตาหารติทิการไล่ไปเป็นต้นที่ยกข้อความมาจากถ้าสุดตรัสูตรทั้งสิบหัวข้อเหล่านั้นท่านก็เน้นยาตะปริญญานะ ส่วนหัวข้อธรรมที่เหลือหัวข้อธรรมที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยคำว่าควรรู้ยิ่งก็รู้ยิ่งตามความรู้ตามความสามารถเนี่ ย, ยตามสติตามกําลังตามหัวข้อนั้นๆที่ไ้มาขึ้นปริญ ญ, ญายนิเทศปริญญายธรรมธรรมที่ควรกําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้นั้นก็เหมือนกันหัวข้อธรรมหนึ่งถึงธรรมสิบ หัวข้อหมวดหนึ่งถึงหมวดสิบควรกําหนดรู้ด้วยตีรณปริญญาธรรมะสามสิบที่เกิดตามทวารทั้งหกทวารทวารละห้าเช่นจักขู่ควรกําหนดรู้รูปควรกําหนดรู้จักขูวิญญาณภาษะเวทนาควรกําหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ก็เป็นตีรณปริญญาส่วนหลังจากนั้นเนี่ยคำว่าปริญญานั้นกว้างคำว่าปริญญานั้นบางทีหมายถึงโดยกิจบางทีนั้นหมายถึง โดยการบรรลุโดยการเข้าถึงจริงๆนนะซึ่งเราค่อยๆศึกษากำหนดแยกแยะทีละบททีละบทไปส่วนหัวข้อทมที่ควรกำหนดรู้ด้วยตีระปริญญาทมหนึ่งควรกำหนดรู้คืออะไรภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะก็คือโลภะภาษาทุกชนิดนั่นนะทมนี้ควรเอามากำหนดรู้ เพราะว่าผู้ที่รู้จักภาษาจริงจะต้องรู้วัตถุทวารและวัตถุวิญญาณอารมณ์วัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยจะต้องเข้าใจเป็นอย่างดีจึงจะเข้าใจคําว่าภาษะอันภาษะที่เกิดในทวารทั้งหกมีจกักรสัมผัสเป็นต้นนะถ้ากําหนดรู้ภาษาดีเนี่ยนะถ้าด้วยอภินด้วยอภินญายธรรมหรือด้วยยาตาปริญญาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี ตัญหาเป็นต้นนี้ก็เอาภาษะเหล่านั้นมาไครครวนโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหูฟีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนนะนะเอามาไครครวนที่เรณาว่าภาษะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะเป็นต้นส่วนธรรมสองที่ควรกาหนดรู้คือนามรูปเนี่ยนะนามรูปเป็นธรรมที่ควร กำหนดรู้ด้วยปริญญาด้วยตีรณะปริญญาเนี่ยนะตีรณะปริญญาก็รู้อยู่แล้วว่าโดยหัวข้อเท่าไหร่นะสี่สิบสองใช่ไหมสี่สิบสองในปฏิสัมพิธามักท่านจะกล่าวเหมือนกันแต่ในกล่าวโน้นวิปัสสนากถาเป็นต้นอยู่ท้า ย, ายเล่มนะไอ้สนะี่สิบสองเนี่ยอันนี้จะโตทุกขโตโรขโตเดี๋ยวจะต้องเป็นเล่มต่อจากเล่มนี้นะเย น, นี้เล่มหกสิบแปดใช่ที่เล่มหกสบเก้าจะมี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 ตีระณะปริญญาส่วนธรรมสี่ที่ควรกําหนดรู้คืออาหารสี่ถ้าพูดอาหารสี่กับพูดสติปัฏฐานสี่ต่างกันหรือไม่อมต่างกันตรงที่ว่าตัวสติปัฏฐานเนี่ยเป็นพาเวตปรธรรมเป็นธรรมที่ควรจเจริญตัวสติปัฏฐานนะเพราะเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมที่ควรจเจริญส่วนอาหารสี่นั้นเป็นปริญญาธรรมธรรมที่ควร กำหนดรู้อันใครที่เจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็เท่ากับกำหนดรู้กับพลิงกระหานใครที่เจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็ชื่อว่ากำหนดรู้ผัสสะหานใครที่เจริญธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็ชื่อว่ากำหนดรู้มโนสัญเจตนาหานใครที่กำหนดรู้อะใครที่เจริญจิตานุปัสนาก็ชื่อว่ากำหนดรู้วิญญาณอาหารท่าน อตัวสติปัฏฐานสี่เป็นธรรมที่ควรเจริญตัวอาหารสี่เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ควรทําปริญญาพันท่าแล้วแต่ว่าถ้าพูดสิ่งหนึ่งก็เท่ากับหมายถึงอีกสิ่งหนึ่งนะเหมือนะถ้าพูดถึงสีก็หมายถึงว่าพูดถึงการเห็นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะถ้าไม่เห็นจะรู้ว่าสีได้ยังไงใช่ไหมถ้าพูดถึงเสียงก็หมายถึงการได้ยินอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันนะเพราะคนที่ กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าได้เจริญสิ่งที่ควรเจริญด้วยถ้าเจริญในสิ่งที่ควรเจริญชื่อว่ากำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ด้วย น, น, นะต่อไปทำห้าที่ควรกาหนดรู้คืออะไรอุปาทานขันห้าโรปเบทานาสัญญาสังขารและเวียญาณทำเหล่านี้ก็ควรกำหนดรู้กำหนดรู้ยังไงเมื่อเช้าสวดว่างไงนะ เพื่อใหส้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากอันหนึ่งมีอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าโรคไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนหรืออีกในหนึ่งบอกรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตาสัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารไม่ใช่อัตตาวิญญาณไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงม่ใช่อัตตาไม่ยากเนาะแต่ว่าไม่เจริญนี่สิมันแปลกใจยังไงโอ้ยตอนฟังเข้าใจหมดแล้วก็ลุกพับท้ายหมดอย่ังไง ยาหน้าตักหรือไงก็ไม่ทราบนะก็เข้าใจนะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเพราะมาไม่เถียงหรอกว่าโยไม่เข้าใจเชื่ออยู่แล้วว่าเข้าใจแต่ว่าไอ้ตรงที่ไม่เจริญเนี่ยตรงนี้ยังทําไมเราพูดไม่ดีหรือว่ายัางไงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะก็ไปสงสัยอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเราพูดไม่ชัดเจนหรือว่าเอ้มันต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยหรือมันต้องทํำยังไงเนาะคิดมากเดี๋ยวจะเหนื่อย ต่อไปทำหกที่ควรกําหนดรู้คืออะไรภาษาอัยตะ น, นะภายในหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้กําหนดว่าไงนะกําหนดรู้ว่าไม่เท er ี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกแล้วแหละนะกําหนดรู้ว่าตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา จะโกมเล่นกายใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา <น uyor? S 1> ถ้ากำนัรู้มากๆทำปริญญามากๆก็จะรู้จักบ้านาร้าง <Religion. S 1> เนี่ยนะเนี่ยนะบ้านร้างเรือนว่างเอาไว้ให้โจรมาปล้นเนี่ยนะเวลาลืมตาเห็นก็ปล้นเอาบุญไปหม้ดเนี่ยนะปกติบุญก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วใช่ไหมก็เลย พอมองเห็นสีที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างก็อกุศลก็เกิดมืนกับโจรปล้นไม่ปล้นอย่างเดียวที่มันเผาด้วยอนะเพราะไฟคือโท ร, ราฆะก็เผาไฟคือโธศา ก, ก็เผาไฟคือโมหะก็เผาท่นถูกปล้นด้วยถูกเผาด้วยก็เลยหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยหมดแม้กระทั่งเนี่ยก็เหลื อ, อได้สังเกตดูนะในอบายเนี่ยนะมันแทบจะเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวจริงๆเลยสัตว์บางตัวไม่มีแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มใช่ไหม ไม่มีอะไรเลยหมดตัวจริงๆอย่างไส้เดือนนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยมีอะไรบ้างมียางเหนียวใช่ไหมบางตัวก็ยังเหลือขนบ้างนะขนเตะไปหมดเลยบางตัวนี่ขนก็จะไม่เหลือเตี้ยนหมดเลยหมดทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยหมดตัวจริงๆนะถ้ า, ากุศลมันปล้นเนะี่ยปล้นถ้าจนตาก็กลายเป็นตาพิการไปเลยก็มีสัตว์บางตัวนี่ไส้เดือนมีตาไหมไม่มีนะสัตว์ตั้งหลายประเภทเนี่ยนะ ถูกกล้นจนไม่เหลือแม้กระทั่งตาถูกกล้นด้วยถูกเผาด้วยไม่มีตาเลยสัตว์บางพวกถูกกล้นด้วยถูกเผาด้วยจนไม่มีหูเลยบางพวกถูกกล้นจนไม่มีจมูกเหลือเลยบางพวกก็ไม่เหลือลิ้นเลยเนยะเป็นคนหัวขาดก็มีหัวขาดเนี่ยถ้าเป็นเด็กในครรภ์นะถ้าอยู่ในท้องแม่มีชีวิตได้ไม่มีหัวเลยนะไม่มีหัวมีชีวิตอยู่ได้จนถึงคลอดคลอดมาก็ตาย ะแต่สมัยใหม่เขาไม่ถึงรอให้คลอดร อ, อ, อกนะเขาออกเลยให้ตายเร็วกว่ากําหนดสักอะไรก็ตามสมควรกันแล้วกันมันก็ถูกกล่นจนไม่เหลือตาหูจมูกลิ้นก็ไม่เหลือบางพวกนี่กล่นทั้งจนไม่เหลือลิ้นเลยเช่นจระเข้ใช่ไหมจระเข้ไม่มีลิ้นนะอะถูกกล่นหมดเลยแล้วปากจระเข้เห็นไม่มีลิ้นเนี่ยอย่าไปนึกว่าเขาเขาตัวเดียวนะ อุ้ยตามรายฟันตามซอกฟันเนี่ยอะไรจะมีสัตว์เยอะเท่านั้นอีกแล้วปากของคนนี้ไม่เคยแปลงฟันก็จระเข้ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ชอบเคี้ยวอะไรเล่นๆด้วยมันเคี้ยวกอาจริงเอาจังไปหมดทีนี้พอมันไม่ไม่ได้เคี้ยวเนี่ยนะพวกสัตว์ที่เกาะอยู่ตามฟันตามซอกฟันอะไรจระเข้นี่เยอะมากเนี่ยนะะทั้นใครที่ถูกจระเข้กัดนี่ถือว่าอันตรายมากที่แผลมาจากจระเข้กัดเพราะชื่อโรคมันมากจริงๆจระเขนะ้มันนั่นเอย มันถูกกล้นจนไม่เหลือลิ้นบางพวกก็ถูกกล้นจนไม่เหลือแม้กระทั่งสรีระนี่ก็แทบจะไม่เหลือบิดเบี้ยวไปหมดเลยบางตัวนี่ก็หมดไปครึ่งลำหมดไปครึ่งท่อนตัวถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนตุลาแถวแถวชนบทไร้แห่งตาเนี่ยนะมันอาจจะถูกสารเคมีถูกอะไรไม่ทราบมันเน่าหมดครึ่งตัว บางตัวเนี่ยจนถึงกลางตัวเลยถือเลือกลางตัวบางพวกหัวบินไปครึ่งหนึ่งก็ยังไหวอยู่นั่นแหละนะรนั้นก็ผลของการถูกกล้่นในทวารต่างๆบางพวกก็ถูกกล้่นถ้จนโน่นจับเข้าคุกเข้าตรางนะอยู่ในนรกนั่นแหละในเปรตในอสุรกายเ น, นั้นในทวารแต่ละทวารเหล่านี้ถ้าเราไม่เอามาพิจรารณามาเจริญมาใคร่ครวนให้เพียงพอจริงๆเนี่ยนะ ทุกทวารฉุดไปอาบายได้หมดเลยบางคนเนี่ยแพ้บางคนแพ้ทวารตาใช่ไหมเพอทวารตาเกิดเนี่ยอากุศลเกิดั่งพลูเข้ามาถ้านั่งหลับตาบ้างก็ดีบางคนนี่ก็แพ้ทวารหูเพรได้ยินเสียงเข้านี่ทําใจไม่ได้เลยบางคนเนี่ยแพ้ทวารจมูกก็แล้วแต่ใครแพ้ทวารไหนแต่ทวารไหนก็ช่างเถอะที่ไหลผ่านมาก็บาปอากุศลทะลักบานออกมา